คุยกันถึงเรื่องพระเรื่องเจ้ากันบ้างนะๆทุก แล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ๆที่เกี่ยวกับวิชาคถาๆมาตั้ง หลวงพ่อโชติได้สร้างวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางของขลังเอา โดยเฉพาะเหรียญของท่านใครได้ ประวัติหลวงพ่อโชติก่อนที่จะสละเพศฆราวาสนั้น 2417 สมัย 4 เกิดที่บ้าน โยมพ่อชื่อคงโยมแม่ชื่อแสง โดยเฉพาะทางด้านไสยศาสตร์คาถาอาคมจนขึ้นชื่อ ประการสัมพันธ์ในโฉดเป็นคนจริงไม่ระรานใครก่อนดังนั้นชื่อเสียงในการๆถึงได้ อ่าภิสูตหวีมือวันนึงเมื่อไปถึงสถานที่นัดพบเลงบางน้ําเปรี้ยว นายโชตก็ถูกตีด้วยไม้คมแควกแล้วก็แทงด้วยฉมวก พวงกุญแจของคนโบราณนี่จะต้องมีมีดติดอยู่ด้วยทุกพวงก็เลย พอรักษาตัวจากอาการบอบช้ำจนหายแล้วก็ได้รวบรวมเงินจํานวนนึงซื้อเรือสําปั้นมาลํานึง ไม่ชอบนายโชติเพราะเกรงว่าลูกสาวจะไปลําบากทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะกิตติศัพท์ความเป็นคนจริงของนายโชติทํา ฝ่ายหญิงก็หนีตามนายโชติมาครอง ทั้งตาลอยและนางเล็กผู้เป็นพ่อตาแม่ย่ายังคุมแค้นอยู่ ที่มีจากส strange msg ไอเป็นHey Super Morrarian? เมื่อมาถึงจุดนี้ rece数ediaれるนías ต่างใจ ติดทุกมลเมืองทําให้นายโชทต้อง ถึงขนาดถูกยิงจนเกล้้งเป็นลูกขนุนแต่ว่า เมื่อถึงบ้านก็ก้มกราบเท้าผู้ให้ บวช 11 กรกฎาคมปี 2451 เวลาบ่าย 3:00 น. โดยมีพระแล้ว 3 บรรษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอีกระยะหนึ่งเพื่อเรียน จำมรรษาอยู่ที่วัดนี้ 6 พรรษาแลกๆอีกหลายวัดในปีต่อมาหลวงอด ป่าในสมัยนั้นยังเป็นป่าๆเชือกงูเห่างูจงอาง แล้วก็ในระหว่างที่เดินมาท่ามกลางดงเสือดงช้าง ในระหว่างทุโดงควัทนั้นก็ได้พบพระทุโดงหลายองค์ด้วยกันแต่ละองค์ก็มุ่งปฏิบัติธรรมอย่างแสนสาหัส เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็เดิน หลวงพ่อโชติท่านเปี่ยมด้วยคุณธรรมดำรงตน บางก็มาขอหวยบางก็มาขอพรบางคนเป็นไข้รักษาที่มาหา ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานชายจีนผู้ แล้วก็จะมอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้หลวงพ่อโชติว่าถ้าให้ฉันเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวฉันจะ ต่อเจ้าหลวงพ่อ 2477 หลวงพ่อได้รับแต่ง ลงศพตายโหงในวันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์นํามาฉีกลงอักขระแล้วก็ถักเป็นเกลียวคล้ายๆเข็มขัดเหรียญที่หลวงพ่อโชติสร้างไว้ใน ปรากฏว่าเวทมนต์ 2500 เป็น 25 พุทธศตวรรษนะผ่าน หลวงพ่อเป็นพระที่มีปฏิปทาสูงส่ง ถึงเวลาที่ฉันจะต้องลา 6 ตุลาคม 2501 ตรง 8 นับพันษาได้ 49 พันษาเมื่อมรณภาพแล้วไม่มีสมบัติ ร่วมกันบริจาคเงินสร้างรูปเหมือนกรุงเทพมหานคร ยังเป็นที่กล่าวขวัญกันอยู่